อืมอ่ า, างตากันสนุกนะสนุกดูโลกอ่อนคืนร่วงไปร่วงไปกี่เวทเราก็ผ่านไปเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปไม่เหมือนเก่า หลายิงหลายอย่างว่าแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบางคนก็ผ่านไปหมดไปริงของต่างๆก็หมดไปสิ่งที่เราอาศัยก็หมดไปเวานก็หมดไป เดินไปดูหลาข้างนอกวันวันนี้ยังมีคนเต็มฉลาทอดกระถินแล้วไปดูวันต่อมาว่างเปล่าเห็นแต่ร่องรอยเศษกระดาษเห็นแต่เครื่องใชต่างต่างที่ยังไม่ได้เก็บ มันก็ผ่านไปจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปตามเหตุตามปัจจัยของการเวลามันเกินจินชัวจริงมองผ่านตัวเราเนี่ย <c oughs> ก็ผ่านไปหมดไปหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนเก่าต้นไม้ที่เขียวเุ่ม เดี๋ยรอปกติก็เหี่ยวบางีก็ใบร่วงหล่นโบกทั้งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายภาษาอะไรอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกิจกิเลสตัณหาหลัคะมันไม่ใช่ยตัวใช่ยตนความโลภควงโกรธควาหลงควงมถูกความทุกข์ความรักความชังมันยังไม่มีหลักฐานเหมือนต้นไม้ใบหญ้าที่มันผ่องอยู่บนดิน มันก็ยังร่วงลอยไปตั้งเป็นวัตถุสิงของเออลมที่เกิดกับจิตยิ่งเหลียวไหลคนที่มองโลกในไม่เขาไม่ง้ย่อมเห็นของแท้ของจริงที่เกิดขึ้นทุกเวลาจะได้มีชิตอย่างสง่างามดูโลกอย่าง องอานในตัวเรานอกถูกเราทุกสภาะจริงแล้วไปวังอะไรจากใครที่ไหนเอาชีวไปห้อยไปเฉีนไว้กับจิงได้แม้แต่กายแต่ใจไปห้อยไปเฉีนไว้กับมันได้ยังไงเรากายเอาใจเป็นเรื่องสุขลองทุกข์้ว้แต่มันจะสังการเรา เอาผู้คนมาเป็นเรื่องสุขเรองทุกข์ไดแต่สิ่งนั่นจะให้โอกาสเจ้เราเป็นของเรายึดถือเป็นตัวเป็นตนเราจะคลองนั่นคลองนี่ยึดเอาไว้ยิ่งเหลวไหลทั้งหมดลเห็นกับหัวกับตาสองตาเนีเกิดมาเจ็ดสิบกว่าปีผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสุขก็ผ่านมาไม่จริงทุกข์ก็ผ่านมาไม่จริงทั้งนั้น ความแล้วก็ผ่านมาไม่จิงทางนั้นความโกรธความเกลียดชังก็ผ่านมาไม่จิงทางนั้นเคยได้ก็ผ่านมาไม่จิงทางนั้นเคยเสียก็ผ่านไปไม่เป็นไม่จิงทางนั้นเห็นท่าเสวนสุขทุกทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยไม่จิงสักอย่างสิ่งที่มันจริงที่สุดคือธรรมธรรมที่มันจริงได้คือการกระทําของชีวิตของเราเนี่ยกรรม แน่นอนที่สุดจะเป็นสิ่งที่คิดของเราจับหลักชีวิตตายจับหลักชีวิตตายมีกรรมเครงกระทํากระทําทางใดมันอยู่กับเรากายก็อยู่กับเราจิตใจก็อยู่กับเราเราจะใช้กรรมให้มันเกิดความดีขึ้นมากกรรมที่จริงจริงยอดเยี่ยมที่ชัดเจนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกรร ม, มาฐาน กรรมาฐานเท่านั้นที่จะเป็นชีวิตของเราที่จะสมบูรณ์แบบเมื่อวานก็ไม่เป็นไรเมื่อวันผู้นี้ก็ไม่เป็นแต่การกระทาเดี๋ยวนี้แน่นอนที่สุดเราจะทําดีพูดดีคิดดีมันมีทวานสามอย่างกายสิวาา่าทใจเราจะเอากายมาทําดีเราจะว่าจจมาพูดดีเราจะมาใจมาคิดดี ปลุผมมากับชีวิตเดินไปทุกทุกวินาทีไม่ให้โควขามีชีวิตอยู่นิดเวทีเดียวก็จะให้มันเลียบไปแต่เมตตาให้กับทุกสภาวะจิงงั้นกับผมที่เราเดินไปที่ไหนไม่มีศัตรูขั้หรือไม่เคยเวียดแบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในโลกนี่เราจะดูแลจริง ที่มันจะไม่ดีให้ดีตามความสามารถมันก็องอาจอยู่ในโลกอย่างสง่างามเดินรอบวัดไปดูกติหลังนั่นมันมีพมในหัวใจชีวิตจางผมในหัวใจเราจะดูแล ร, รักษาอะไรที่ทำให้กติมันเสีอหายหัวขึ้นบ้างอะไรบ้าง จุดโสมบ้างเราจะดูแลเดินไปเราจะดูแลโลกนี่ทุกสิ่งต้นไอยต้นยอดเราก็ตามสิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมต่อกันเรจะทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเดินเลาะไปเดินโนไปเดินไปสอนหมากราบไหวชิ่นอออของต่างๆแต่ผู้คนแต่เราอยู่ด้วยกัน ทำงายจึงมีชาเบียดเบียนกั น, นทำมาใช้ให้การเดือดร้อนเราก็ต้องเกิดเจ็บเจ็บตายมันกันหมดเดี๋ยวนี้โลกเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนน้ำท่วมเนช่วยไม่ได้แล้วก็คิดในทางจิตใจที่จะช่วยแต่เราก็ ทำจริงที่เราคิดไม่ได้แต่คิดได้เนี่ยมันมันเป็นกรรมที่ดีแล้วไม่ได้ซ่อมเติมกันอะไรที่มันผิดพลาดทำให้เกิดเจ้งนี้ขึ้นมาเราจะทำอยู่ที่นี่ไม่ใช่ประชามอยู่ที่โน้นมีเหตุมีปัจจัยปัญหาเราก็ต้องมีปัญญามันไม่ใช่อยู่เฉย ที่น้ำท่วมโลกผันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติถูกทำลายตั้งแรงตั้งท่วมเพราะมันโลกมันปรับตัวแต่ดินมันตายไม่ซึมฝนตกน้าไม่ซึมมันก็ไหลไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่นี่ อยู่ที่นี่สมัยสามสิบปีสี่สิบปีฝนตกท้องคืนไม่เคยเห็นน้ำไหลแต่น้ำห้วยน้ำหนองค่อยตึงขึ้นตึงขึ้นแต่ที่ฝนที่เราอยู่ไม่เห็นน้ำไหลแต่ที่ต่ำมันค่อยตึงขึ้นตึงขึ้นเติมขึ้นเติมขึ้ น, นมันซึมลงไปมันดูดซึมจนมันอิ่มตัว มันเจียบน้ำมันจึงเคลียร์ไว้ในพื้นที่ทุกตารางนิ้วตารางเมดตารางวาเวลานี้ดินมันตายผนตกไม่ดูดซึมมีแต่ไหลเที่ยงไปเพราะอะไรหน้าดินมันหมดไปฝนเพาา้าถางก่อทำลายใช้เครื่องเกษตรแผนใหม่ รถแทกเตอร์ันาัใหเป็นสิบตันเดินเหยียบนวดดินหน้าดินอิอนสีวัตถุหดขึ้นมามีเท่าไหร่เอาขึ้นมาไว้บนเวลาฝนตกไหลหนีไหลหนีก็ไปสูงห้อยหนองของเบิร์นแล้วก็ตายไปเลยมันก็เลยไม่คเคลีย ร่างกาก็เยนไปเพี่ยนไปหลายยาวนี่ก็มีเหตุมันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ประดานายกต้นธรรมปิติไม่ใช่ปบุดาใครมองเห็นทุกข์เหนโทษที่เราทําอะไรผิดพลาดมาจะเกิดชะนี้ขึ้นมาแม้แต่ในชีวิตเราเนีะ่ะที่มันทุกข์มมกขึ้นมาเกิดหลายขึ้นมาผู้ดปัญญาย่อมไม่จนแล่านี่ ความทุกข์ก็ไม่ผิดบงังต้องมีเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นมีกรรมใช่หลักกรรมได้ตามหลักอริสตสีเหตุที่มันทุกข์มันต้องมีไม่ใช่มันจะทุกข์ล้นล้วนขึ้นมามันไม่เหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นกับวามกับใจเรานี้มันต้องมีเหตุเราจับได้กรรมาฐานเป็นวิชาที่เปิดเผย ตื่หูเหลืนต่อดูแลตัวเราทุกชีวิตาดูแลตัวเราแลือตัวเราก็ดูแลคนอื่นเพื่อนมิตรสหายดูแลสปะสิงทุกอย่างมีน้ำใจอะไรที่อมาดีชี้ดูดกล่าวบอกกันอยู่เสมอมีน้ำใจที่จะบอกจะสอน การที่จะบอกจะสอนคนเนี่ยมันต้องมีน้ำใจถ้าไม่มีน้ำใจเนี่มันบอกกันไม่ได้ปล่อย ก, กันทิ้งการสอนกรรมฐานพระเจ้าจังมีน้ำใจต่อเราอยู่ทุกวันนี้เวลาใดเราหลงโนไม่จนต่ความหลงเพราะน้ำใจของพระเจ้า มาอยู่กับเราได้เพราะมีบุคคลตัวอย่างเวลาใดเราทุกข์เราไม่จนต่อความทุกข์เวลาใดเราโกรธเรามาจนต่อความโกรธเวลาใดเราไม่เกียรติหาเราไม่จนต่อจิงเหล่านั้นไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นทาตของมันแล้วแต่ความคิดที่ไม่ อ, อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราแท้ๆ ยิ่งเหตุมายาสสาถอยไม่เป็นขี้ค่าของมันให้มันคิดเราจะคิดเองไม่ใช่มันคิดมีกายจะใช่กายมีวาจะใช่วาจะมีจิตจะใช่จิตเราเป็นเจ้าของได้คิดเหล่านี้ขับมันได้มั่นใจสง่างามการขับกายขับวาจะขับใจมันปลอดภัยปล อ, อดภัยทุกโอกาส เราจะมาใช้ชีวชิตแบบนี้การ น, นับหนึ่งจากเราถ้าเรามาใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจโดยธรรมโดยการกระทํารมที่เป็นความดีให้เกิดเป็นธรรมให้กายรับความเป็นธรรมให้วาจาที่เสียงออกไปให้รับความเป็นธรรมให้จิตใจที่ไม่ยิดกันมาให้รับความเป็นธรรมกระจายไปสู่สึ่งอื่นได้มากมายหลายอย่าง เราใช่กายไม่เป็นธรรมแล้วหวจ่าไม่เป็นธรรมใช้จิตใจไม่งป็นธรรมก็เป็นทุกข์เนโทษต่อสรรพสิ่งอีกร้ลายอย่างเท่าเทียมกันหมดแล้วจึงมั่นใจในวิชากรรมฐานมั่นใจกว่าอย่างอื่นในชีวิตยอยู่เท่าไหร่ก็จะมั่นใจนะเราก็โชคดีมีโอกาส ที่มันมีอะไรที่เราใช่เราได้ศึกษาความไม่เที่ยงก็ได้ศึกษามันมันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ได้ศึกษามันคือความเป็นทุกข์ความสุขก็ได้ศึกษาคือความเป็นสุขความโกรธความรู้ความหลงได้ศึกษามันได้ปัญญาเพราะจีเหล่านี้เหมือนกับมันบอกเรามันบอกเรามันตบตาเรา มันทำให้เราเก็บโราปวดเราโง่ให้มันใช่ให้ัเป็นลูกให้มันเป็นทุกข์เป็นโทษตั ว, ต, วตัวเองจะไม่เกิดปัญญาได้ยังไงไม่หลงมันไม่หลงเนี่ยความหลงกับไม่หลงต่างกันแต่ทุกข์มันไม่ทุกข์เนี่ยมีสติเนี่ยแล้วไม่หลุดไปกับความทุกข์ก่อนมีสติ นหน้ำในขวดที่มีฝาเวลามันข่วมลงโล่มลงมันก็ไม่ไหลออกไปเพราะมันเต็มถ้าน้าในขวดไม่มีฝาปิดถ้าล้มไปก่อนไหลออกหมดคนไม่มีสติไหลกับความตากับรูป ก, กับรสกับกลิ่นกับเสียงไหลออกไปหมดหมดไปเพราะรูปหมดไปเพราะรสป ด, ดไปเพราะกลิ่นหมดไปเพราะเสียง หมด อ, อารมณ์จนก็มีสติมันเต็มอยู่เสมอมันไม่หมดในรถก็ไม่หมดในรูปไม่หมดในเสียงก็ไม่หมดไม่หมดเลยเต็มอยู่เสมออันเต็มใันลักษณะนี้เราเรียกว่าบุญบุญคือเต็มคืออิม่มนี่คือบุญถ้าเป็นบุญในศาสนาไม่ใช่บุญอ้อนวอน ได้เป็นบาปไปละได้แล้วไม่หดไม่แห้งไม่ขาดแขนเป็นทุกข์มันเห็นมันสว่างบุญคือคอแจ้งคือสว่างบาปคือมันมืดแล้วจังมามาใช้ชีติตมาใช่จิ ต, <c oughs> จตของเราก็ปล่อยตัวเองทิง ถ้าไม่พอตอนทิ้งก็รู้จักช่วยคนอื่นไม่พอคนอื่นทิ้งแบ่งปันรู้จักตอนนี้ว่ารู้จักจนรู้จักแบ่งปันบุญต้องแบ่งปันฉุกต้องแบง่งปันทุกต้องพัฒนาไปพัฒนาคนอื่นแต่ละ <c oughs> ถามดูเป็นยังไ ง, งก็หลงก็บก พัฒนาตรงที่มันหลงแล้วก็พัฒนาเราขณะที่มันหลงเัาทุกข์ก็พัฒนาขณะที่มันทุกข์ได้พัฒนาที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องปวกมันขึ้นสติได้ไล่มันลงมันเป็นความชอบ ตังโต้ก็เองมันตั้งตากแดดวางตากแดดเอาเก็บเท้าล้มอะไรที่มันเชียงหายเพราะฝนอะไรที่มันเสี่ยงหายเพราะแดดไม่เห็นไม่ปล่อยทิ้งผู้คนแท้ๆไปทําให้การเดือดร้อนทำไมตัวเองก็อยู่ออยยูู่่นี่ไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนทำไมก็ไม่เดือดร้อนไม่โย ในความหลงไม่หลงก็มีในความทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีในความโกรธไม่โกรธก็มีไปจนทําไมทําไมจึงจนเรื่องนี้น่าจะจนแต่นั่งร้องไห้ทาไมหัวเราะทําไมเรามีงานแล้วถ้าอย่างหัวเราะเป็นก็เราพัฒนาแล้วถ้าอย่างร้องไห้ก็เรียกว่าพัฒนาแล้ว พลังดีใจเสือใจก็ต้องพัฒนาในสุขใยทุกก็ต้องพัฒนาเหมือนเหนือนี่มีเหนือโลกมีอันนี้เป็นรถของโลกโลกมีรถชาติสัตว์ยอมติดรถชาติของโลกเหมือนปล่อติดเบ็ดนักใช่ก็ไม่มีอะไรล่มเหลว ไปติดรถของโลกโลก็ล้มเหลวไปติเกี่ยเหมือนป่าติดเบ็ดตายไปเปล่ๆอีวิ ต, ตั้งชีวิตไม่มีประโยชน์กัชีวิตเลยไม่ได้สร้างชีวิตเอาชีวิตมาเพื่อใช้เล่นๆมีกายมีใจมีรูปมีนามเอาไา้ใช้เล่นของเมียขาไม่ใช่เล่ น, ล น, ลนจนตกตโลกไป มีกายมีใจมีรูปมีนามม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลย้องเลดสอเถอโพสุส่วนมนบบทรบวต่อมาเที่ยงเธอเธอเป็นนิพพานถ้าเราใช่เล่นเป็นทุกไม่กความไม่เที่ยงความทุกเธอเธอเป็นนิพพานถ้าเราใช่เล่นเล่นก็ทุกเป็นทุกคนเล่นเด็กเล่น เด็มันทำอย่างนั้นผู้ใหญ่ทําก็ทาทุกไปต้องเป็นทุกอะไรไมาต้องมาเป็นทุกเปลี่ยนร้อยปดได้ปีที่เกิดขึ้นกับเรานี่ยให้มันเก็บลงไปให้มันแก่ลงไปให้มันหายตายลงไปใช่มันจนจนมาเหลืออะไรล่ะไม่เป็นอะไรกับมันเราจะต้อง ศึกษาแล้วนี่การเถอะชาวประชาอย่างเกินมากเกินไปงั้นจะพาดัะผู้ใดจะเห็นเรื่องนี้ตามความเท็จความจริงที่เกิดกับ่ากกับใจทุกสิ่ทุกสิงเ ก, กิดต่เหตุตับที่เห็น ทุกสิ่งเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปสิ่งไดจริงเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมต่อไปเป็นธรรมดาเหมือนพระพุทธเจ้าได้อุทานเห็นโกนทัน ญ, ญะมรลุธรรมเป็นคนแรกที่พระเจ้าเทศนาได้โคดออมลายอยงเต็มปา่าอุทานออกมาได้เต็มบัก ยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสะพันังโลธรรมวันติจึงใดจึง เ, งเกิดขึ้นมธรรมร า, าิ่งนั้นย่อมคกามดับไปเป็นธรรมราในเราในคนอื่นในสิ่งอื่นทุกขีวิตเห็นคนไดที่เขาเป็นทุกในความไมทุกข์เขาก็มีมองกันเห็นคนใดที่ชั่วความพลาดเขาก็มีจะ <c oughs> ปล่อยกันทิ้ง มองคนทุกคนเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าคนทุกคนมีนิพพานคนที่ชั่วขนาดไหนเขาก็มีเป็นพทธเจ้าได้ในความที่ชั่วยังมีพุทธะอยู่ที่นั่นคือขนคือมนุษย์คือรูปกวนตามสัตว์ดิฉานมีไม่ได้ มองคนทุกคนคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นที่ยิบปีวิตกับนิพพานจุดหมายปลาทางของที่มีชีวิตจูที่เรามีชีวิตดมีโอกาสจะเกิดมามีรูปมีนามมีตามีหูมีจมูกเรื่องกายใจใจมันมีวิญนยาณกายก็มีวิญนยาณ ตาก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณไอ้ใช่วิญญาณที่มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ได้ทางไหนวิญญาณที่เป็นเปิดทางตาวิญญาณที่เป็นสัตว์โลกทางตาหรือเป็นเป็นวิญญาณที่เป็นมรรคผลในพ่านทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจให้เกิดมากเกิดผลพอเราใช่เป็นวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นอบาย ข้มามไปเป็นเปรตเป็นสกตายเป็นสัตวลูกในวิญญาณเหล่าเนี่เราจะงมาใช่เลยมันมีวิญญาณมันลูกมันเห็นแชงตามความเป็นจริงวิญญาณที่เกิดจับตาเป็นมากเป็นผลวิญญาณที่เกิดหูเป็นมากเป็นผล เราฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวมดมนต์วิญญาณที่เกิดเป็นมรรคผลนิพพานดูคนทุกคนเป็นผู้เจ้าวิญญาณได้เกิดเป็นมรรคผลผลไม่ใช่คนนั่นดีคนนี้ไม่ดีเราชอบคนนั่นเราเกลียดคนนี้ไม่ใช่แบบนั้นชีวิตที่แบบนั้นชีวิตกุกขะพิรุตีไม่ห่วเป็นเหวหลมบาก ท่องเที่ยววิญญาณแบบลำบากท่องเที่ยวไปที่สบายแบบอย่างผมบางคนทุกคนเหมือนพระเจ้าฟงเถียงทุกเสียงเหมือนเสียงวาสนมนอยู่ที่ไหนเป็นนิพพานที่นั่นนี่คือชีวิตไปที่ใดต้องไปที่สะดวกําไม่ลำบาก ถ้าเรามองแบบขูขับลำบากชุก ส, สนคนนั่นดีคนนั่นมาดีชีวิตทุกสนเราชอบคนนั่นเราเกลียดคนนี้ชีวิตแบบทุกสนชีวิตกระโดดถ้าชีวิตชุกสนย่อมย่อมอาภัพย่อมลำบาก <c oughs> ลำบากเพรผมชอบลำบากเพรผมไม่ชอบ ลำบากเพราะรักลำบากเพราะเกียดชังความชอบเฉยเฉยไม่มันมาอยู่แคนั้นมันไปไกลความไม่ชอบก็ไปไกลไปถึงคบายที่จะเกื อ, อบวายไม่เจริญพระเจ้าแสดงธรรมเรื่องสุกสน มีลิงซุกสนเจ้าลิงซุกสนดังที่เคยพูดในฝังชอบกระโดดโล ด, ดเต้นไม่ค่อยจะเข้าหมูเข้าของอยู่ด้วยกันก็ชอบกระดูดโลดเต้นไปทีสงสง่ต้นไม่สูงไม่มีกิ่งไม่มีก้านสาขาต้นไม่เดียวด่ยวชอบปีนชอบป่าย ตอวไม่เรียบเรียบเตียเตียต่ำต่ำหมากไ ม, ม, ม, ม, ม, ม้หมอนไม่มีไม่ค่อยไปจนในสุดโชคส่วนมากๆเชี่ยกระโดดข้ามเหวข้ามภูเขาจนี่สุดต้องแก่ความตายเห็นนาย่านติดตังเอาไว้กะรู้ว่ามันเหนียวไปจับตัว มือหนึ่งจับมันก็ติดมือหนึ่งจับติดมือที่จับเอามือที่สองไปแยกติดมือที่สองเอาขาไปยันอีกก็ติดขาหายันที่ติดขาเอาปากคาบก็ติดปากไปไม่ได้เรียกว่าโบรานท่านยังโคตอยู่ลิงติดตักไปไม่ได้่าดเข้ า, ไ ป, ไ, ไ, าไปชําระไปล่าเนื้อ การมาเห็นเข้าก่อนเหลีงติดตั้งตี ต, ตายตายเพราะความรักตายพราะความเจ็ดชังชีวิตไปฝากไ้กับความรักความเจ็ดช้งความพอใจความไม่พอใจชีวิตขบขักเหนียบเรียบฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดบนตทุกคนทุกคนหมืนพระเจ้าอยู่ที่ไหนเป็นนิพพานอยู่ที่ น, นั่น เมตตาสงสารกันดีดีมันเรียบนะแม้จะมีการผิดพลาดมาบ้างกับเมตตาบ่อยๆคนที่ไหนที่เคยทำให้เราเดือดร้อนก็เมตตา อ, อย่ามีขอบเขตในชีวิตเรียบๆรัดผัดปูผมกับชีวิตมันมนีมันเป็นไปรได้าชีวิตเนี่ยไม่ต้องอะไรมา กำหนดกันเอาคุณธรรมกำหนดกันบางคนอาจจะร่ำรวยจะไม่มีความสุขบางคนจะยาจนอาจจะมีความสุข ด, ดังเลื่องที่เขาเล่าว่าคนผู้โชคดีบุคคลในโชคดีที่สุดในโล ก, กตุยไข่เอาไว้เลยเรื่องชาโดกเล่าว่า ไม่หงาบอดีคนเดิมยังไงไมีท้อง ม, มากเขาก็ว่าเขาเป็นคนโชคดีแล้วมียังมีคนประกาศว่าเขาก็โชคดีต้อยินเสียงร้องเพงลงเราเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกร้องเพลงเสียงเพลงมันไพเระอาจจะมีน้ำใจมีอะไร ฟังเสียงเรารู้สึกว่ามันมันอาจะโชคดีกว่าเราเรายังร้องเพลงไม่ได้ต้องหวงชอบเส้นเงิ น, น, นทองสิ่งจะได้มาเท่าไหร่จะกลัวจะเสียไปอย่างไงแต่ว่าคนที่ร้องเพลงอยู่นี่มันใครเนาะทาไมโชคดีกว่าเราไป ต, ตามเสียงบไปหเห็น ก่อนเลี้ยงแก่ล่องเพลงนี่หรือเสียงล่องเพลงที่ว่าคนโชคดีะคนโชคดีไหมครับผมเป็นคนโชคดีถ้างั้นเราขอเสื้อจากตัวเราขอเสื้อจากคนจักตัวหนังได้ไหมเพราะเฉื่อถีเคยเอาโจ้เสื้อสัก็ไม่มีจักตัวเกินมาไม่มีเสื้อใส่เลยเอมาอย่างนี้ผมเชื่อในไม่เคยมีเสื้อใส่กับเขาทำไมว่าโชคดี ตื่นเช้ามาเราก็ปล่อยแกะออกไปเลื้ยงแกะแสงแต่วันตอนดตอนเช้าทุ่มนาท้องฟ้าฉันก็โชคดีมีความสุขตอนเที่ยงมาแสงแดดล่มมอยตอนฝงแกะก็ร่มนอนแล้วก็มีโชคดีเอตอนบ่ายก็แสงเฉันเดินก็ตอนแจกลับบ้าน หลมหมอนโอนหัง ก, ก็ล้องถึงไม่ไม่มีอะไรตรงไหนที่บรณฑ์ทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนตื่นมาก็ต้องว่ามืดเครื่องร้องร้ามหมองแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ตอนตอนช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนข้ามกงเกินแต่ก็ย่อกดีมีความสุกมากใช่ครับบอดี้คนนั้นก็ต่างกันกันกบเราจริงๆเรา mm hmm. นี้ไม่รู้จะ เงินก็มีมากงดากได้อยากได้เอกมาจะมาที่นั่นมาที่นี่ได้มาเแลาว้วก็จะหายไ ป, คน น, นไปคนนั้นเจาไปคนนีอ้อายไปคิดอยู่นี่อ่น า, นางทีคนจะโฉนดโชคดีกคนรวยๆไม่ต้อมีกุณธรรมไม่เอาอะไรมากําหนดเอากุญแจทำกุณแจทำ ชีวิตของพวกเราเนี่ยเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วก็ดูแลกันในการใช้ชีวิตให้มันพอเพียงเพียงพอมีอาหารการกินพอเพียงมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องน ong หอมมอยารักษาโรคมีเพื่อนมีเมธมีพ่อแม่ได้ช่วยกัน ม, มีความสุขพอแบ่งปันกัน ไม่ใช่ความสุขเพราะเอาของเขามาให้หลวงพ่ขอาสุขแบบแบ่ปั่นมันมันอิ่มอกอิ่มใจเหมือนแม่พ่อให้อาหารให้ของลูกให้ของลูกแม่พ่อได้ให้อะไรของให้แก่ลูกมันมีความสุขว่าชายคิดจะเอาจากลูกมอความสุขแบ่งปันมีความสุข เพ้าะการใช้ชีวิตเนราพอจะแบ่งปันกันได้จ้ามไม่เอามากชีวิตของเราเป็นนักปวดดยวูวัดวาลามเา่คอนชะนับชนนเป็นวัดทธรรมคนไทยไม่น่าใจอขทอทอดกระถินขอทอดกระถิ น, า น, นจาาลี่สิบสองของสิบสี่เป็นของคนไทย เดือนสิเอ็ดออกวันจาเดือนสองนกระถินเดินไอ้บนคุ้มเข้ากวดลานเดอนยี่บนเปี๊ยไม้เดินหน้าเดินสามบนบนเข้ากีเดอนสี่บ น, นพกเวดเดนห้าตัวจสงการเดอนหกบนบ้างายเดอนเ็ดบนบนหัวหน้า มันแปรเข้าพรรษาเดอนเก้าเข้าประดับเดินเดินฉิบบนเข้ากับศาสตร์เดินจมีตออกพรรษาตาที่สิบสองของสิบสี่นของคนไทยพระเจ้าก็สรงไปไหนไปไหนพระเจ้าบัญญัติไว้อย่างอนุสาตร์บอกพระใหม่ เป็นแต่โลกะโพศฌานีเช้าปะป ช, ชานี่หมวอนทนังปกักขีกลงโอสธิกลงปาฏิปาธิกล ง, งไม่ต้องเหม็นตะ บ, บาท น, นทนี่มวอนท่านังอธิวาเติเกล้าปักีลกลงตามปัก15บห้าข้ามแปดข้ามโอโพสถิกลงวันโวชด ปฏิปราริกังวันนี้มลนี่มลไปที่นันที่นี้หรือว่าเป็นเตีกันลาบเกิดขึ้นกับโมโฉงได้ในประเพณีของคนไทยในทาให้ไหนเป็นมานานแล้วนี่มลท่านนังปักขีกลงโอสาติกลางปฏิปธิกล ง, อ า, ก ง, ากงอาศัยกันอย่อยางนี้นะกวด เราว่าญาโยมว่ามีบริษัทพิกษุ บ, บริษัทแม่คีบริษัทพิกจุนีบริษัทวาสบบุบริษัทบริษัทก็ไม่ปวกันทิ่งอยู่ได้เป็นอนาคลิกะไม่มีบ้านไม่เรือน ยิย่งใหญ่ดังอาคาลิกะธรรมปาละปัญีลังกาเพื่อนภูพุทธศาน ส, าสนา ส, สาสารสถานในอินเดียอนาอนาคลิกะธรรมปาละเป็นโยมมาเห็นล่อง้อยเขาพระเจ้าไม่มีใครดูแลมาพื้นภูเป็นโยม ไม่ใช่เป็นพระอ๋อประกาศให้ชาวโลกว่าช่วยผู้นั้นถือศาสนาพุทธศาสนาร้องเอาอ้องเอาอีิสิตปัตนะที่พระเจ้าจแสดงประโมะเทศสนาคืนมาตกฮินดูเอาไป ม่เห็นล่องรอยได้หลายอย่างเป็นของพุทธเป็นหลักฐานกับฟ้องเอาเอาเขินมาจนมาสมิงสมัยมหาธรรมะคันธี็นรนัฐบุญตีนายุทธะมุนตีได้เขินมาเป็นของพุทธาศาสนาหน้อยแห่งที่เป็นของหินดูไปบุคคลเป็นโยมคนเดียวโตสู้มา ยังมีคนช่วยพรานเราก็ถือว่าสาสนสถานเราไม่ทำให้ครเดืดร้อนเราอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมกันเราขอช่วยทำความดีอย่าหวังอะไรให้มากเกินไปไม่ใช่ชีวิตอย่างปูผม มันจะมีความเรียบง่ายในนาทีหนึ่งก็สะดวกแวหนาทีก็สะดวกอย่าให้ไปกูขาดพยายามปฏิบัติทำนี่แหละมีสติถ้ามีสติทำก็เกิดขึ้นถ้ามีความหลงเอาทำก็เกิดขึ้นทำมีอยู่สองอย่างทำดำํำทำขาว ทำดำคืออกุศลทำขาวคือกุศลกรรมก็มีสองสองอย่างกรรชั่วกรรมดีการกรรมชั่วก็มีผลไปทางหนึ่งกรรมดีก็มีผลทางหนึ่งยื้งองเราก็หมอกแกนค่ะใช้กรรมนี้ให้แม่นยาำชัดเจนมีสติโดยเพราะกรรมาฐานนี่มีกรอบมีเขตมีสูตรไม่ผิดพลาดแน่นอน มีสติภายนกายมีสติภายในเวทนามีสติภายใจิตมีสติภายในธรรมก็จับนี่ได้หลักนี่ได้ไม่แยกไปไหนก็ถูกไปแต่เพื่เพือก็จับหลักนี่ไม่ได้ก็แยกไปผิดแต่พื่อเพือไปไกลน่จึง มีสูตรแบบนี้อะไรก็มีหลักสูตรแบบนี้อาาจารย์ของโลกก็มีสูตรแบบนี้อเลสซรดสอนศาสตรส์ลัทธิศาสตร์เฉเสษศาสตร์อเลเราพุทธศาสตร์ก็มีสูตรแบบนี้อู้แขนเข้าหย่อนแขนหอกรู้จักตัวมีสติรู้จักตัวนะดีไหม อ้าวกันอ้าวจังกว่าจริงล่